ยุโรปนะคราวที่แล้วได้ไปอยู่เบอร์ลินประเทศเยอรมันประมาณอาทิตย์หนึ่งเบอร์ลินนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเมืองหลวงของเยอรมันสถานทูตไทยก็ตั้งอยู่ที่นั่นไปนทักที่สถานทูต แล้วก็วัดไทยในเบอร์ลินก็มีงานบรรยายมีงานอบรมทั้งที่สารทูดแล้วก็ที่วัดไทยก็ไปเบอร์ลินแล้วนี่อย่างนีงที่ต้องเอาอกาศไปให้ได้ก็คือไปดูซ้ากกำแพงเบอร์ลินอันนี้มีชื่อมากเหมือนกับไปปักกิง่งก็ต้องไปดูกำแพงเมืองจีน กำแพงจีนนี่เขาสร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้พวกแมนจนะูหรือว่าพวกอนารยะทางภาคเหนือนี่เข้ามาเข้ามาลุรลานปักกิ่งแต่กำแพงเบอร์ลินนี่มีไว้เพื่อเพื่อกันคนทางซีตะวันออก ไม่ให้เข้ามาหรือไม่ให้หนีมาไม่ให้หนีออกไปว่าเบรลินสมัยสงครามโลกที่สองนี่มันมันแบ่งเป็นสองซีกนะซีกหนึ่งก็เป็นของคอมมิวนิสต์อีกซีกหนึ่งก็เป็นของฝ่ายประชาธิปไตยซีกตะวันออกก็รัเสเซียคุมอยู่ซีกตะวันตก อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็แบ่งกันคุมแต่อเมริกาเป็นพีบ่มนั่นก็เป็นเมืองที่ประหลาดี <c oughs> ท่านนี้ก็เพราะว่าตอนที่ตอนที่สัมพันธมิตนี่เข้าไปบุกกรุงเบอร์ลินของฮิตเลอร์นี่ มันมาสองทางนะทางตัวนออกทางตัวนตกทางตัวนออกก็รัเสเซียทางตัวนตกก็เนี่ยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็เลยตกลงว่าแบ่งคนลกครึ่งแล้วกันคอมมิวนิสต์ไปครึ่งหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยไปครึ่งหนึ่ง แล้วก็เข้าใจว่าทีแรกก็คงจะร่วมกันบริหารร่วมกันบริหารแต่ไปมามันพอมันมีเรื่องขัดแย้งกันระหว่างัสอเมริกากับรัเสเซียแต่ก่อนอเมริกาและรัเสเซียนี่มันเป็นเพื่อนร่วมสงครามกันอเพื่อนร่วมรบสู้กับเยอรมันสู้กับฮิตเลอร์แต่พอ สัตัวร่วมหมดไปก็อันมาเป็นปฏิปักษ์ต่อสู้กันเองนะเพราะว่าอุดมการมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ลินเนี่ยซึ่งก็ตกลงกันว่าให้มาปกครองร่วมกันมันก็เลยปกครองกันไม่ได้ร่วมกันก็เลยแบ่งกันไปตกลงกันว่าใคร ใครรับผิดชอบส่วนไหนก็ดูแลส่วนนั้นไปนะอันนี้แบบตกลงกันแบบไทยๆนะในใคล้ายๆไทยๆค่าใครดูแลใครครองส่วนไหนก็บริหารส่วนนั้นไปคนอื่นไม่เกี่ยวรัเสเซียนี้ก็ก็เลยเ ก, กิดการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แทนไม่มีกรรมสิทธิ์เอกชน นะทุกคนต้องอยู่ภายใต้การอาการสั่งการของคำนี้ซึ่งก็เป็นลักเซี ย, นยคนก็ไม่พอใจเขาก็ออกมาก็หนีออกมาแต่ก่อนมันหนีไม่หนีไม่ยากเนี่ยก็แค่เดินออกจากบ้านเข้ายกเก็บใส่กระเป๋าก็ย้ายไปอยู่พักหนีไปย้ายไปพักที่ฝั่งตะวันตก เรามันมากเข้ามากเข้าคนนี้ออกไปมากเข้ามากเข้าเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเพราะคนไม่ชอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็เลยต้องหาทางการไม่ให้คนนี้ออกไปนในด้านนึงก็คอมมิวนิสต์ก็บอกว่าเนี่ยสังคมนิยมคือสวรรค์นะส่วนทุนนิยมเป็นนรก ก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าทุนยมฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นนรกมันไม่เจริญเท่าของเราแต่อีกทางนี้ก็พยายามกันไม่ให้คนนี้ออกไปทีแรกก็ใช้ลวดหนามใช้ลวดหนามนะกันเลยนะเมืองนเะมืองเบอร์ลินนี่มัมมนเรียก ทางถ้าแบ่งซี่นี่ก็มันก็กว้างหลายสิบกิโลนะยาวหลายสิบกิโลผมแดนระว่างฝ่ายตอนออกกับตนตกมันยาวหลายสิบกิโลคงจะรวมแล้วก็เกือบร้อยนะโหที่แรกก็ใช้รถดนาำก็ไม่สำเร็จนะคนก็ยังหาทางหนีตอนหลังก็เลยสร้างกำแพงซะเลยกำแพงสูงไม่สิบเมตร เอามาก่อเอามาเอามาเอามาประกอบกันคำแพงมันเป็นเป็นบล็อกบล็อกไปนะําแพงเป็นบล็อกบล็อกสร้างมันมันมันสร้างได้เร็วเพราะเอามาต่อต่อต่อต่อต่อต่อกันไม่ใช่เอาเอาอิฐมาค่อยมาเรียงเป็นทีละก้อนทีละก้อนยี่เสียเวลาช้าก็ทําเป็นบล็อกบล็อกเลยแล้วก็มาต่อต่อต่ออต่อกันมันก็ เป็นภาพที่ดูก็น่าเกลียดเหมือนกันนะทั้งเมืองนี่มีกำแพงขวางกัน้นะยาวหลายสิบกิโลเมตรเป็นภาพที่อัปลักษณ์มากพราะคนก็พอตั้งกำแพงคนก็เริ่มหาทางยิ่งจะหนีมากขึ้นใล้กก็แบ่งเขตแดนระหว่างตัวเราตัวตนนี่มันก็แปลกนะคือมไม่ใช่เอาไม่ ไม่ใช่เอาถนนเป็นตัวเป็นตัวแบ่งเท่านั้นนะบางช่วงนี้ก็ต้องเช็คบางช่วงนี้มันไม่มีถนนนะก็ต้องใช้ตึกตึกเนี่ยเป็นของคอมมิวนิสต์แต่ว่าถนนหน้าตึกนีเน่เป็นของเป็นของประชาธิปไตยไอตรงนั้นมันสร้างกำแพงไม่ได้นะคนที่อยู่ในตึกเนี่ยพอเขารู้ว่า ต่อไปจะห้ามออกเนี่ยเขาก็เริ่มหนีแล้วพิธีหนีก็คือปีลงมาจากเดินมาจากประตูบ้างแล้วปีลงมาจากหน้าต่างบ้างแล้วทีแรกก็ห้ามนะปิดประตูขังเลยนะห้ามออกนะคนก็ปีมาทางหน้าต่างโดดลงมาทางหน้าต่างนะพอท่านโดดลงมาจากหน้าต่างมาถึงถนนเนี่ยถนนก็เป็นฝ่ายตอนตอน ฝ่ายตะวันตกแล้วเขาไม่ทําอะไรไม่ได้ตอนหลังก็ทํายังไงก็ปิดหน้าต่างเลยนะเอาประตูเอาไม่เอาเอาอิดมาก่อปิดหน้าต่างปิดตายเลยปุดปุดหน้าต่างเอาไว้ไม่ให้ออกก็ดูเป็นภาพที่อ่าอุจจาระมากเลยตึกทั้งตึกนี่ไม่มีหน้าต่างเลย ถ้าตัหลังก็ต้องย้ายคนออกจากตึกนั้นเพราะว่าคนก็ต้องหาทางหนีออกมาจนได้คนพีทักษหนีก็ห้ามไม่ได้ก็ตัหลังประกาศเลยจะยิงนะใครหนีมีสิทธิ์ตายนะคนก็ยังหนีอยู่เรื่อยๆมีวิธีการหนแีแปลกๆไม่ใช่แค่ปีนกำแพงปีนกำแพงมันปีนหญ้าเพราะกำแพงมันเขาสร้างขึ้นมาเขาเขาจะเอา ไอ้ตรงยอดตรงประตูไอ้เ ร, รียกว่าตรงยอดยอดกำแพงเนี่ยเขาจะเอาท่อน้ำเนี่ยมาประกบเอาไว้ให้มันกลมๆ ม, มันจะได้ปีนลำบากปกติกำแพงเนี่ยมันจะปลายกำแพงมันมันก็จะเป็นเออเป็นเลียมๆนะคนก็สามารถจะจับยึดได้ แล้วก็ปีงขึ้นไปคำนี้ก็อุตสาหลือเกินนะเอาเอาท่อเนี่ยท่อเอาท่อที่เป็นท่อซีมเมนต์เนี่ยมามาประกบเอาไว้ให้มันกลมยึดลำบากคนก็พยายามนันแหละตอนหลังก็เลยต้อง ต้องทำเป็นต้องมีลุมีลวดน้ำกั้นอีกทีคือระยะทางระหว่างถนนไปกำแพงเนี่ยมันก็จะมีเครื่องกีดขวางยิ่แยะไปหมดเลยเป็นระยะทางประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตรใครที่เข้าไปใกล้เบรือนนั้นก็มีเสียดถูกยิงตายได้เพราะ สันนิษฐานว่าจะพยายามหลบหนีแต่ก็ยังมีคนหนีไปเรื่อยๆนะบางทีใช้เครื่องร่อนนะลุกสาบประดิษฐ์เครื่องล่อนเพื่อจะให้บินข้ามกาแพงก็มีหรือว่าขุดขุดรูนะขุดอุโมงลอดใต้กาแพงก็มีคนทำหรือว่าทำที่ ทำที่ซ่อนคนเอาไว้ในในรถคือรถเนี่ยจากตอนตกเนี่ยมันเข้ามาทางตันออกได้ถ้าเป็นถ้าเป็นรถของนักการทูนนะมันมข้อตกลงว่านักการทูนนี่เข้าน้องออกไายได้นั้นักการทูนเขาก็อาจจะมาเข้ามาในเขตตอนออกขากลับก็ซ่อนคนเอาไว้ในกระโปรงรถบางแล้ว รถบางทีเล็กแค่ไหนก็ยังมีคนก็ยังซ่อนได้ก็ต้องตรวจตามอย่างทียิบมีวิธีการสารพัดนะคนก็ยังหนีจนทั้งที่เสี่ยงตายตลอดเวลา20 27ปีมั้งปี6104พอเริ่มสร้างกำแพงเบลเยี่ยมปี04จนถึงปี32นี่ในปี32 ก็มีคนนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายวันดีคืนดีคนก็ประท้วงกันคนลุกขึ้นมาเป็นล้านไม่พอใจกับปกครองคอมมิว น, นิสต์ในปีสามสองรัฐบาลก็พอคนลุกขึ้นมาแบบนี้ก็มีทางเลือกอยสองอย่างคือจะปราบหรือว่าจะจะยอม สุดท้ายก็ยอมว่าคนมันประท้วงเยอะมากคนประท้วงในเยอรมันตอนนั้นเป็นเป็นล้านก็เลยยอมให้เดินเดินออกไปเดินผ่านด่านไปได้โดยที่ไม่ตรวจแล้วคนก็เลยกลัววันออกไปทางฝั่งตวันตก เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากตอนหลังแม่กูกับป่านะทุกเลยนะทุกกำแพงด้วยกำแพงที่ยาวหลายสิบกิโลก็เลยถูกทำลายจนกระทั่งต้องอนุรักษ์เอาไว้นะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ไปเราไปเบอร์ลินก็มีจุดที่ให้ดูกำแพงเบอร์ลินเนี่ยไม่กี่จุดนะสามสี่จุดได้มั้งมีจุดหนึ่งยาวหน่อยยาวเป็นกิโลเลย เป็นบริเวณที่อยู่ชานเมืองตึกร้ามบ้านช่องก็ไม่ไม่มากอาคารพันธุ์นี้ก็ไม่เยอะก็เลยสามารถจะอนุรักษ์ไว้ได้คนที่ไปเที่ยวเบอร์ลินก็ต้องไปดูกำแพงนี้เหมือนกับเป็นสิ่งประหลาดแล้วก็เขาก็ทางรัฐบาลก็เชิญชวนให้คนเนี่ยศิลปินนี่มาวาดภาพที่กำแพงนั้น คือในไหนก็จะนุรักไว้แล้วก็ทำมันเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพซอเลยแสดงภาพในที่โล่งก็ก็มีก็เชิญคนมาจากหลายประเทศนะก็มาว่าสุดใเป็นเรื่องของการเชิดชูศิลปภาพก็ว่ากันเต็มที่คนก็ไปดูภาพวาด น, นั้น อันนั้นก็แต่ไปดูก็คงจะไม่ไม่รู้เบื้องหลังนะว่ามันเป็นกําแพงที่แสร้งความโหด ร, ร้ายของมนุษย์อย่างไรบ้างมันเป็นกําแพงที่ขังที่ขังคนเนี่ยทั้งเมืองเลยนะแล้วก็ในกําแพงนั้นก็เหมือนกับคุกเนี่ยที่คนก็อยู่กันด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยความหวาดระแวง เราแย่งชิงกันและกันด้วยนะเพราะว่าคอมมิวนิสต์นี่ก็พยายามที่จะยุยงให้คนเนี่ยมาเป็นสายให้กับรัฐบาลเป็นสายกับรัฐบาลถ้าใครเป็นสายก็ก็จะมีความปลอดภัยเพะนั้นก็คนก็อาสากันเป็นสายให้กับรัฐบาล เราคอยส่งข่าวให้กับรัฐบาลหรือตำรวจรู้จนกระทั่งคนเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้เลยแม้กระทั่งผัวเมียเพื่อร่วมงานก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นสายบ้างแล้วคนที่เป็นสายอย่างที่บอกก็ไม่ต้องการ แรงจูงใจไม่ได้ต้องการเงินทองเลยแต่ต้องต้องการต้องการรักษาตัวเองเอาไว้เนะพราถ้าเป็นสายแล้วมันก็มันก็มีเหมือนกับหมาที่มีปลอกคอนะมันก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ต่อหลังมันมีการกล่าวหากันมากนะเกลียดใครก็กล่าวหาใครที่ถูกกล่าวหาก็สวยไปไม่รู้จะ จะปกป้องตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะปกป้องตัวเองคือว่าต้องเป็น่ายกล่าวหาก่อนถ้าเรา่ายกล่าวหาเขาก่อนเนี่ยก็ทำให้สายถูกกล่าวหานเนี่ยเล่งงานเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเสี ย, เ ข, เ, สยเขาเสียเขาเสียเครดิตแล้วมันก็เลยเกิดเกิด เกิดความเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมากันทั้งกันทั้งเมืองเลยทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะในเบอร์ลินนะในรัสเซียเลยนะคือต้องรีบกล่าวหาก่อนไม่ชอบหน้าใครหรือว่าไปทำให้ใครไม่พอใจื่องพิธีที่ปกป้องตัวอคือไปกล่าวหาเขาก่อนพอ่อยนั่นถูกกล่าวหาตำรวจก็จะมาเล่นงาน บางทีเมียก็กล่าวหาผัวผกกล่าวหาเมียมันก็เลยมันก็เป็นนรกแต่ไม่มีคนจนํานวนหนึ่งที่ก็สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วคนเหล่านี้นี่มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้คนมันทนไม่ไหวทนอยู่ภายใต้การปกครองอำนี้ใหม่ก็ลุกขึ้นขึ้นมา แต่ว่าลูกคือโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะก็เป็นงแตประท้วงอันนี้มันก็พรมีความเปลี่ยนแปลงในรัเสเซียด้วยกอบบชเข้ามากอบบชบก็เน้นเรื่องให้มีปติรูปคนก็เริ่มได้ใจก็เริ่มแสดงความเห็นเริ่มที่จะแสดงความมคัดค้านรัฐบาลเริ่มที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลเช่นให้ เปิดกำแพงให้เปิดด่านแลสุดท้ายกำแพงที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจมหาศาลคำยันก็ก็พังทลายมันไม่สามารถจะกักผู้คนเอาไว้ได้เลยเพราะผู้คนที่เป็นเซรีชนไม่ได้ทำผิดอะไรที่ผู้คนก็เดี๋ยวนี้ก็ใครไปเบอร์ลิงก็ไปดูกำแพง แต่ไปดูแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้วเขาจะมีความเข้าใจเบื้องหลังกำแพงหรือเปล่าดี๋ยวนี้เนี่ยกำแพงที่บอกกำแพงนี่หายยากมากไอ้ ก, ก้อนหินเศษซากกำแพงก้อนเล็กๆ เ, เนี่ยก็ามาขายเป็นที่ระลึกนะ ราคาก็ก็แพงทีเดียวนะร0อยสองร้อยนะมันไม่มีอะไรมันแค่เป็นเป็นซ่ากําแพงเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยก็ขายได้ก็มีเพื่อนชาวเยอรมันนะเป็นเป็นคนคนขับรถให้แล้ว ก, ก็ซื้อมาให้ <c oughs> เป็นเป็นซ่ากําแพงเล็กๆคนอยากได้เป็นที่ระลึกนะี่ ทั้งที่เบื้องหลังของกำแพงนี่มันก็เต็มไปด้วยเลือดและน้ำปาแต่ในแง่หนึ่งก็แสดงชัยชนะนะใชัยของประชาชนวันนี้ยสามารถเอาชนะประเด็กการได้ไปสุแล้วก็เจอกำแพงนะแต่กำแพงนี้ไม่ทลายนะมันกำแพงสร้างใหม่เป็นกำแพงที่คอยเรียกว่า กำแพงยาวเป็นแนวที่ขวางเขตยูเอสแบง์เอาไว้ยูเอสแบงก์แปฝั่งฝั่งตันตกฝั่งตันตกของแม่น้ำจอดแดนคืออิสราเอลเนี่ยเขาเมื่อประมาณปีสองรสิบนี้เขาทำสงครามหกวันนะกับประเทศมุสลิม น, นะจะเป็นมีทั้งซีเรียรทั้งจอดแดนทั้งอียิปต์เรียกว่าสูตร เกือบไม่ว่าร้อยแปดสิบองศาหรือว่าสองร้อเจ็สิบองศาเลยเพราะมันก็อยู่ถูกร้อมรอบด้วยประเทศเหล่านี้แล้วสองร้อเจ็ดสิบองศาเนี่ยยกเว้นส่วนที่เป็นทะเลมินิเตอร์นเนียนี่เป็นทะเลก็ไม่ต้องไปสู้ใครแต่ส่วนที่เป็นนอกนั้นนี่ก็จะต้องถูกร้อมรอบด้วยประเทศอประเทศอาราบูนี้ก็ไม่พอใจ mm hmm. ไม่พอใจโซเอลก็พยายามจะ ส่งกองทัพมาถล่มอิสราเอลเนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วอิสราเอลก็รู้ว่าต้องสู้แล้วก็เลยทำการเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนลงมือเริ่มลงมือก่อนถ้าลงมือทีหลังอาจจะไม่เหลือประเทศเนะเขาก็เลยบุกนะบุกทั้งอียิปต์ทั้งเอลดาเน้งซีเรีย เราก็ได้พื้นที่มายึดครองพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเรือนั้นก็เป็นเป็นที่อยู่ของคนอาลับเอยอารับปาเลสไตน์วั น, นี้ก็ไม่พอใจนะอิสราเอลวันดีคืนดีถูกยึดครองไปซะแล้วนะเขาก็พยายามที่จะเล่นไงอิสราเอลก็มีการก่อการร้ายระเบิดพรีชีพ อิสราเก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยสร้างกำแพงล้อมแล้วก้กำแพงปิดสเลยพันนึกเลยเนะี่ยไม่ให้ไม่ให้ออกมาไม่ให้ไม่ให้เข้ามาง่ายๆพกํำแพงนี่ยาวเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยแล้วก็สูงกว่ากำแพงเบอร์ลนะินอีกอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อไม่ให้คนใ น, ค น, ค, นคนอิสลามในเวสต์แบงค์หรือปาเลสไตน์เนี่ย เข้ามาง่ายๆต้องผ่านด่านมีด่านอยู่ด่านมีดอย่างอยู่ไม่กี่ดา่านนี่นะจะเข้ามาก็ต้องมีใบอนุ ญ, ญาตเพื่อการไม่ให้พวกพระระเบิดอาวุธเข้ามาดูเผินๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นกำแพงที่ทําหน้าที่คนระเบียบกับกำแพงเบอร์ลินนะกำแพงเบอร์ลินนี่มันมันขังคนเอาไว้ส่วนกำแพงที่เวสต์แบงก์นี่มันการไม่ให้ศัตรูเข้ามา แต่ว่าไปบามาก็กลายเป็นกำแพงขังคนขังคนเอาไว้คนป า, าเลสไตน์เ้าก็ไม่พอใจอเพราะเขาคูดว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาอยู่มานานอิสราเอลนี่เพิ่งตั้งประเทศเมื่อหลังสงครามโลกที่สอง้าคิดว่าเ้าเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินอองไม่ได้เขาก็ยิงไม่พอใจก็พยายามเนี่ ทางออกมานี่ก็ขุดรูขุดอุโมงสารพัดมันก็มีเสียงต่อต้านเสียงประท้วงจากทั่วโลกมากไอการสร้างกำแพงเนี่ยไปไปดูแล้วก็ก็สงสารนะว่า ม, มันก็ขังสร้างสร้างคุกขังคนปเาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์เรียกว่าทั้งแถบเลยทั้งจังหวัดเลยเวสต์แบง์ก็ประมาณ ประมาณจังหวัดหรือหลายจังหวัดรวมกันก็ช่วยไม่สักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งกาแพงว น, นี้ก็ต้องพังทลายเพราะว่ามันไม่มีกาแพงไหนที่มันจะสามารถสกัดกั้นผู้คนได้เลยกาแพงเมืองจีนใหญ่แค่ไหนนี่ก็มันก็ไม่สามารถจะป้องกันคนได้ เป็นความศูนปลายเป็นความล้มเหลวมากกำแพงเมืองจีนเนี่นะเขาก็ศึกษาภาษาเพราว่ามันล้มเหลวมันป้องกันไม่ได้เลยก็อย่างที่รู้กันนะจีนตอนหลังก็ถูกพวกแมนตูยึดครองจีนนี่ก็ดูภายได้การปกครองต่างชาตินี่มาหลายร้อยปีนะพวกมองโกก็เคยมายึดมาเป็นร้อยสองร้อยปี กำแพงมองจีนกันไม่ได้ต่อมาพวกแมนจู ก, ก็มายึดครองอีกประมาณสองสมร้อยปีกำแพงมองจีนมันใหญ่โตโมโหลานเค่ไหนก็ป้องกันไม่ได้กำแพงเบอร์ลินก็พังไปแล้วต่อไปกำแพงที่เบสแบงกก็ต้องไม่นานก็คงต้องกลายเป็นซากปวดซากคนเรานี่มันไม่อยากถูกขังนะ เดี๋ยวพระ เ, เป็นเสรีชนแล้วเนี่ยถ้าไปขังเอาไว้สกัดกั้น่ะก็จะไม่ยอมการใช้กำแพงนี่มันไ ม, ไม่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมาดูๆไปนะมันก็คนในการไปสกัดกั้นคนเนี่ยมันมันทำได้ยากมาก เรามาที่จริงมามันก็โยมมาถึงเรื่องของใจคนเ่ยนะใจคนนี่มันมันรักอิสระรักเสรีมันไม่ยอมถูกควบคุมถูกบังคับง่ายๆถูกบังคับถูกควบคุมถูกขังไว้ก็ต้องพยายามสู้พยายามที่จะเป็นสระ มันไม่ใช่แค่คนนะมนไม่ใช่ใจคนเดียว อ, อารมณ์ความคิดต่างๆภายในใจเราก็เหมือนกันนะมันเราจะไปควบคุมบางคับนี่มันยากแสนยากเหลือเกินใจคนเนี่ยแม้แต่ความคิดฟุงนะ้งซ่านที่เราเรียกว่าเป็นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ย หลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนก็พยายามไปกดไปขม่มไปบังคับมันก็ไม่สำเร็จนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็กเมื่อนคนนะคือมันรักอิสระมันรักเสรีจิตใจเรานี่มันก็เป็นจิตใจที่ไม่ชอบ เป็นสิ่งที่ไม่ชอบให้อะไรมาควบคุม บ, คบังคับสกัดกันเนี่ยเวลาเราภาวนาทําสมาธิเนี่ยเราก็อยากให้ใจสงบแต่ว่าใจมันก็ไม่ยอมเนี่ยยิ่งไปบังคับมันเนี่ยยิ่งไปล่า ม, มันเอาไว้มันก็ยิ่งสู้ยิ่งอยิ่งประท้วงยิ่งต่อต้านแต่ว่า เราก็สามารถที่จะน้มน้าวใจได้นะน้มนาวใจท้าว่าตอนล่อมนะใช้วิธีการที่นุ่มนวล น, นะกับใจของเราหรือว่าใชวา้วิธีการที่นุ่มนวลกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจรวมทั้งความคิดนึกต่างๆด้วยกดมัน ถ้ามันมันไม่ยอมมันสู้นะแต่ถ้าเพียงแค่รู้ทันมันนะหรือว่าใช้วิจิตี่นุ่มนวลค่อยๆตล่อมให้ใจนี้กลับมาอยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยทำได้นะการพยายามให้ใจมาอยู่กับกายเพื่อให้เกิดความรู้น ร, รู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ย ถ้าเราไปใช้วิธีการบังคับมันเช่นบังบังคับใจให้มันอยู่กับกายให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวไปมานี่จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันจะสู้มันจะต้านแต่ถ้าถ้าเราใช้วิธีการที่คล้ายๆชวนให้เขากลับมาอยู่กับกาย ให้เขาอยู่โดยสมัครใจให้ถือว่ากายนี้เป็นบ้านนักปฏิบัติหลายคนทำกายให้เป็นคุกของใจนะไม่ได้ทำกายให้เป็นบ้านของใจบ้านกับคุกมันต่างกันยังไงนะบ้านนี่ใครอยู่คนที่อยู่เขาก็สูมีอสระจะอยู่ก็ได้จะไปจะออกไปก็ได้ แต่คุกนี่เขาจะรู้สึกว่ามันถูกบังคับไม่ให้ออกไปทํากายเป็นคุกม า, ก า, าครับว่าบังคับจิตให้อยู่กับกายไม่ให้ไปไหนออกไปไม่ได้ก็คือบังคับเพ่งใช้วิธีการเพ่งจิตมันก็จะไม่ยอมมันก็จะพยายามที่จะออกไปให้ได้เพราะว่าเหมือนคนเรานะั้นถ้าอยู่คุกเมื่อไหร่หรือถู ก, กถู ก, กถูกขังอยู่ในกำแพงแล้วก็จะพยายามออกไปให้ได้ แต่ทำกายเป็นบ้านก็หมายความว่าจิตจะอยู่กับกายก็ได้จะไปก็ได้มีสละนะพราะบ้านคือที่ที่เรามีสละจะอยู่หรือจะออกก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทํากายเป็นบ้านคือว่าให้ใจมาอยู่กับอยู่กับกายด้วยความสมัครใจแล้วก็มีสละที่จะไปแต่ว่าไปเมื่อไหร่เราก็พยายามชวนเขากลับมาน ใช้สตินี่แหละนะเป็นการสติเรียกเขากลับมาด้วยความฝึกตัวเนี่ยเรียกเขากลับมาไม่ใช่ไปบังคับว่าจิตห้ามฟุ้งห้ามห้ามท้องห้ามเที่ยวให้ใช้วิธีการที่อ่อนโยนนะกับความฟุ้งซ่านและอารมณ์ต่างๆไม่ว่าเป็นความโกรธความเปลีย้ยวความความความหุดหงิด สัตนตินันานนั่นใช้คําว่าเวลาให้ออกกอดนะความโกรธนะใช้อะไรอกกอดใช้สตินี่แหละอกกอดมันก็จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธนะอันนี้ก็พูดคลากับที่หลวงพ่อคาเขียนนะความโกรธนี่ไม่ต้องไปทําลายมันแค่เปลี่ยนนะ เปลี่ยนความโกรธกลายเป็นความรักนะเมื่อความโกรธมันได้รับการอบกอดของสตินะมันก็จะกลายเป็นความรักขึ้นมานะก็คนคล้ายเด็กที่เด็กที่เกเรเด็กที่ก้าวร้าวเนี่ยถ้ามันได้รับความถ้าเขาได้รับความรักนะอาจจะไม่ใช่จากแม่จากพ่อนะ าอาจจะไม่อาจจะเป็นเด็กกาพร้าแต่ก็ได้ความรักจากผู้ดูแลจากผู้ใหญ่ก็จะเปลี่ยนการเป็นคนที่น่ารักได้อย่างที่บ้านการอนุวิเศษเนี่ยเด็กที่มาอยู่ในบ้านการอนุวิเศษนี่ก็เด็กที่มีปอดโชคโชนัะนนะค่าคมคืนแต่อายุยังไม่ถึงยังไม่รู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เลยเขาก็ไม่ส่งเข้าคุกนะก็มามาเข้าสถานที่ที่ชาวบ้านเรียกดัช น, นะ แต่บางกายกายพิเศษนี่ประมณแกพยายามใช้ความรักเปลี่ยนแปลงเด็กซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้สำเร็จหลายคนก็ใช้ความรักบางทีก็ใช้การอบกอดเด็กเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากอบกอดด้วยความรักอารมว์ต่างๆใน ใ, นใจแราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปผักสายไล่ส่งหรือว่าไปบังคับขู่เข็นนะมันก็ ก็ยิงเหียวยิงตานนะแต่ว่าใช้วิธีที่นุม่มนวลนใช้สตินะสตินี่เป็นวิธีการที่นุม่มนวลนท่านก็ทันตินอาหารก็เลยเปลี่ยนว่าโอบกอนนะไอ้ความโกรธเวลามีความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ทันมั น, นไม่ต้องทำอะไรมันแค่ดูมันเฉยเฉยดูมันด้วยใจที่เป็นกลางหรือว่าจะ รู้สึกเมตตาได้เมตตาความโกรธที่มันเกิดขึ้นมันก็สามารถจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็ น, นความไม่โกรธได้บางทีการมีท่าทีที่อ่อนโยนนุ่มนวลกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนอกจากมันช่วยปลูกเมตตาเสริมสร้างเมตตาใน ใ, นใจเราแล้วมันก็ยังช่วยทำให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์อกุศลมันเปลี่ยนสภาพไป นะหรือว่ามันหมดพิษสงไปใหนะ้เพียงแค่เห็นมันนะเพียงแค่รู้หรือว่าดูมันเฉยๆก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าให้อิสระกับใจนะในการที่มันจะทำอะไรก็ได้ มันอยากจะอยู่ออกับกายก็ให้อยู่ด้วยความสมัครใจมันอยากจะไปก็ไม่ห้ามแต่ว่าก็จะก็จะชักชวนให้กลับมาให้กลับมาอยู่ออกับกายใช้สตินี่แหละนะเป็นตัวเรียกเป็นตัวชวนพอพอมีสตินะจิตมันจะกลับมาเป็นปกติอันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติ ในการภาวนาเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการที่นุ่มนวนนะกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันก็จะช่วยทำให้ได้รับความร่วมมือนะจากใจใจก็จะค่อยๆมาสงบลงก็ ค, ค่อยกลับมาเป็นปกติแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจที่ได้มาอยู่ยกับกบกายเห็นกายเป็นบ้าน นะกายกับใจ่าเป็นอันหนึ่นองอันเดียวกันให้เราลองลองนะใช้ท่าทีแบบนี้ดูนะกับทุกอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบแน่จริงมันก็ไปใช้กับคนที่อยู่รอบข้างได้ด้วยใช้กับเพื่อนบ้านใช้กับเพื่อนร่วม ง, งานะคนที่ไม่น่ารักคนที่น่าร่านนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนได้ถ้าว่าใช้วิธีการที่นุ่มนวลกับเขา